เรื่องาสนาที่ศาสนาได้ก็ตามที่เกิดขึ้นมาในโล ก, ก, โลกที่าศาสนาหลักๆทำประจำโลกท่เิุทธศาสนามาจากเจดในใจรนั่นเดิมมาตลอดมาถ้าดูอบคนที่เกิดขึ้นมาใ น, น, น, ในโลกแผ่ดไม่โลกน่คือทีว่ว่าคือที่ว่าเป็นมนุษย์ ต้องต้องแจ้งพอห็นผูน้ลรกคว่าเดข้อบุญเกิดบุญมีญญทำมาทำมาแต่เมื่อไรสร้างมาแต่เมื่อไรที่พระผู้เเจ้าเม่าวัตรที่นในโลกไม่ใช่ในน้อยสามร้าห้าแสนแปดมื่สัน น, น้อยเก้าที่สองพูเพเจ้าแน้วนานไม่นานที่เขาเคยตางจินตางแดนเฉยมัเคย ประเทศที่ไม่มีผูษษษษษษษษ้ธีาสนาผมานผูี่เจ้าใจาพระองค์เจะแแ่แต่ว่าพระองค์ทขาไม่สอนให้สัตว์โลกน่าหลายเลยมนุษย์ให้รู้จักพ่อให้รู้จักแม่ให้รู้จักกีดามรู้จักมันดาให้รู้จักคุณพ่อกีดามันดาเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอกขึ้นหน้าโม น, นี่ก่อนหนน่าระลึกถึงคุณมันดา มวยและเลือดุณนดีานสิ่งทั้งทีเจ้าแต่เราต้ององค์ไม่ใชมีพระมันดาพระมีดาที่่ากันเป็นพวกเราเป็นพระ้มาสอนปกครองให้เจ้ามีดามันดาจักรคุณเขามีดามันดาเมื่อมสอนกันนี่ก็มาปกครองกันไม่ยอมเขาประการจนเป็นใหญ่เอาลูกเอาหลานเป็นใหญ่ครอบงำหายไปไหน โลกููคุ้มเขมางยายามมด้เพร้าไม่เต็มวุ่นวาม่ากันมี่มากันจะไม่เข้าใจว่าบา ป, ก, ปก็ไม่มีภูมิก็ไม่มีนรกก็ไม่มีสวรรค์บบก็ไม่มีไม่ไปขนดใหญ่แบบนีน้ที่จเขาัดโดลกนี้โลูว่าการบายหน้าทุนนรกเริ่มสร้างมือนทาง เข้างสุนรกรูปางลูเป็นเกิดไปไปเกินมนต์รกไปเกิดเปไปเกิดเป็นาสุรอการไปเกิเป็นธรรมเนไปเิป็ีตาสต้ทีบายน่าเข้าไปผู้ปีตร์ก็อนให้สามพีกันให้รักใคร่กันให้เป็นดูกันเรื่องรู้ผู้เสียกันรักใคร่กัน ไม่ให้ผมเห็นรอยทเลกันกนะไสามารีกันอันนี้มันมันช้านะขีกันไม่ได้ประทานที่กต่ายไม่แตกกันแล้วจะแตะหกวอาจารย์พักนี่นี่นี่ส็บสองปีพักอยู่ไม่แตกกันแล้วนเข้ากันเลยได้แจจล้วค่าค่ามันเป็นธรไรามา น, นะต่างคนต่างคิดทำามาวกกัน ใครที่มีแชั่วอะไรต้อมาบว ก, กันต่างคนต่างภาคกานต้องไหนจุดไหนที่ไม่บุกพ้นอยู่ในโลกอนี้ช่วยกันพายุขึ้น ม, มาช่วยกันส่งเสริมขึ้นมาอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแทนดีแทนเดินกันผู้มีกำลังมากคนเห็มันจกผู้มีกำลังน้อยผู้มีปัญญามากคนเห็นมันจะผู้มีปัญญาหน่อย มันไม่เป็นธเพาพก่เจ้าต้องนอางเดียวแต่นี้จะมตาอางเดียวต้องทำอย่างเียวเอะไรล่ะเพราร่างกายเขากับร่นงกยเราอัเดียกันแมแต่แม่ดตัวเล็เล็ตั้งแต่มัูนัี่ม่เมื่อดำน้อยแงมีสมุลเข้ากันกับพวกเราทำไมเขาปันคืออะไรคือข้าทั้งสิ่นั่งไปตรรวมกันเราเราเท่ากันแต่ว่าสูงต่ำปกันที่ทางด้านจิตใจ ิจในสูีจะากกันเพราะฉะนั้นพผมจะจะจะมัดคอเน่ยยิ่งใมันแรงข้นสง้นึงขึเมื่อมัดมาพวกมัมัดตั้งใจให้มันเต็มแล้วเต็มรวงแล้วเต็มพวงแล้วนะไม่ัดหในการเกิดการเกิดการเกิดการตายมอจ่าหมดทุกอันนี้ไมใช่เวลาหนักเพราะถ้าสร้างมันทางกาเกษตรพุทธศาสน ไม่ว่าไปข่าวว่าทุกวันไว้สำหรับพวกเราเลยอย่างนึงและการอย่างอ๋หล๋อกูทัท่านเอาเด็มาเนี่ยมาพูนอกพดกประถมมาโมดิไซส้างนิสัยดีน่นนั่นนั่นนัมนูั่นนั่นนั่อนัันนั่นนั่นนัลนนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนัน่น่นนนัน่น่นัั ทิ้งท้อง20 20คำน่นยผ้าสามพนก็สามนัสามประโยคเนีมาตามด้วยนวดรถไฟจนไว้ใจยินไปจนได้ถาหัวจกไม่ด hmm. mm ีผ hmm. ้าลูกหัวหัวจักรถไฟรถไฟตรงนี้มีเครื่องจรจริราะฉะนั้นอ่ะผ้าโมหน้าเป็นวัตถุดิบจากพ่อมาพ่อไปที่ พาลัสาเอ่ชพาาเอาคนขาไปไปรียมามากทั้งคันมาถอยมากคนเดนไปอาบเลงเพ็ดนึ่งเพดหดดรานั้นเขามากไม่ได้ส่มันาะนากตาคิดว่ามาก ไม่เท่ากงมากมันจะมีอะไรมีไม่เท่ากูมันมเท่ามากไปให้หมอเขาเสกเขาตรวจหรือโรคภัยอะไรก็ไม่มีไปหาหมอที่ไหนที่ไหนก็ไม่ได้เงียไม่มีอะไรคุณท้านเคยก็คุมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าลองเปลียนคนนี้มากันาูที่เดิมเพอค้นค้าดีไปเลี้ยงมากันเลยขาขามากก็นเลยดีขึ้น นี่ก็เหมือนกันถ้ า, ถาอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยดินมชูกาดมาก็สอนแต่เดไม่ให้ให้ไม่ให้เด็กดื่มชูกาก็เป็นไปไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ทำก่อนนี่ก็เหมือนกันผู้บริหารประเทศผูวว้ใดก็เหมือนกันรัฐนก อ, อาลหรือว่าประธานาธิบดี อย่างว่าที่ตัวแค่มีสินห้าทราทจะบองมีสินห้าอเขาได้อันนี้สินห้าตัวกับตัวไว่รักษาสอนเป็นเรื่องธราติอคนดีห์เขาเขาซื่อสักษาทริงเพราะเป็นไปไม้ได้นี่กันเพราะฉะนั้นหรือเมื่อกับหนว่น่าต้องดูก่อนดูตัวเองก่อนไม่ใช่อรนี่มีไหมสินห้าอยู่ไหมไม่ฆ่าตัดไม่รักทรัพย์ไม่กระเทการไม่ดื่มสุาเมรัยเครื่องร้องของหมอ ไม่พ้นไม่พ้นพ้นพานเป็นนิสิสร้างแตุ่ลงานความดีนต่จนทุกตอนหยู่กูวัน well. ไม่ต้องมีคนหมายจะได้ถ้ามีสิทธิ์นะตามคนตามรักษาตั้งขึ้นมาทำไมตั้งกมามาตั้งขึ้นมาแล้วที่นี่ละพอไปเอาพอเดินพอไปไปโดนข้อกฎหมายเหมือนกับไปไปไปนไปถึงวหม <intent>? มันไม่ตรงมันมันรไม่โดนมรนพุทธกิเรี้ยวตนไม่อกไปไปเล่นอไปงานไปเจออีกพุกรียวมันไม่มันก็เล่นไม่ศัิรอะไรเลยตั้งไว้เฉยๆกหมายไม่ต้องมีกฎไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมต้องมีกฎขได้ถ้าเขาเาจะเร ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเมตตาสงสารที่เท่าเท่ากันทุกสิ้งท่านเมื่อรักษาไปรักษาไปลักษาไปเมื่อพนานเข้านั่งเข้านั่งเข้าจิตใจไม่แตเป็นสิงจิตใจไม่แตเป็นธรรมถ้าจิตใจเี็นสิ่งเป็นธเกิดเมตตาสงสารตัคนดีตาดีตาสงาอยากให้บุคคลดีตาดีเขาเอความอีีความสุขกาย่บายใจถ้าบุคคลไม่เขามีความสุขตัยใก็จะมีความสุกตัวเล็กแต่ยัง การเรียนวยาให้ทานงะให้เดนคนหนึ่งมีความสุขกายสบายใผลจะจะต้อนกาบมาราก็คือความถูเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุญกู้สยเนี่ยบุญคือความสุขกายสบายใจผู้สนุกความสมหวมาของจิตของใจเนี่ยสรุปนพระพุทธเจ้านัสอนของเรานี่ยให้สร้างกรงขอบดีเพื่ออะไร เพื่อจะตามหาตนของตนท่านพระรูปองคเห็นเดี๋ยวนี้มันไปเห็นตนมันมันมนมันยึดอยร่างกายเป็นตัวเป็นตนแล้วเคยเคยถามเขาบ้างไหมท่าหามาแขนมือไปแขนใครตาไปตาใครหูไปหูใครจมูกใครนิ้วใครหน้ากายมีสักก้อนคนน้องตีครเคยถามเขาไห กรถามเขาไปให้คำตอบหมไม่มีทางสรลมรวมออยู่อยู่ที่รมสงตใจที่รวมิใจไรมันเป็นนามธรมมันมมีรูปลมันมีตัวเป็นตนแต่เป็นไม่ีพไม่มีไส้ไมมีอะไระนมาที่นี่ก็มายกก้นกรกกาลีดที่ตัวนตนยึดก้รกกายของพวกเรา อันนี้ไม่เดียวอะไรบ้างเลยนะ ม, มีทาที่ดีมีทาดิ้น ท, ท่ทาหน้าพัาไาดไปท่าลงมีเสียงที่นี่แคมองเห็นด้วยตาเยื่อการจะนั่ก็ดีไฟจะเป็นน้ำถังมมน ม, มีตั ว, ม, ม, ม, วมีตัวของมร้อลงก็มีตัวมีผลเป็นน้ำถังเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่าน ม, มาท่นมาอนให้โบอยมาปฏิบัต จะตามหานกนเห็นม่รู้เเห็นเดยก็พูดารผู้ดเห็นตนผู้นั้นที่ทําผู้ได้ทําผู้นั้นเห็นตนภาษาพจน์นั่นระชื่อต้องคิดต้องในิสุทธ์นะแต่พูดไดางวจนะถ้าไม่รักษาอย่างนั้นอางนั้นเมันจะเป็นบาปมันจะเป็นกรรมโรงงานเข้ามากเข้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นว่าเวรเจ้ากรรมใรเวรเจ้ากรรมจที่ไทยเจ้ากรรมจะที่กีเซน มายเวนก็คิดใจน่ะคิดใจนี่ก็พากันที่เหลือถึงแม่สกันให้ให้ทําครงตัวเสียหายไปฆ่าสัตว์ไปลักขับไปรับอุปถิดในกรรมไปดึงตุลาเมลัยน่ะถ้าทองครงตัวเสียหายไม่มีสีทำประจันติประจันตแต่ไม่มีภพละอายต่อบาปต่อกรรมไม่มีพวัวต่อบาปต่อกรรมไปกับค้าว่าไปเห็นว่าบไม่ดี มุ่ไม่มีทำาุทำมุ่มไม่ได้บุ่ยทำหมัไม่ได้บมัไม่เห็นผิดไปเลยตาเห็นไปตรงไหนก็ตามความจริงคือความจรงิงตรงแม่หมูเข้าไปต้องใครพเราหน้าที่ต้องใครพงอดเพราะฉะนั้นเราพงรอดไปมาเป็นมนุษย์มันมันเป็นต้นทาง ไปนรกเป็นต้นางปเิดเป็นต้นทอธิวัติายเป็นต้นปสุต์ารเป็นต้นทางเป็นผู้ทีีระเป็นต้นปเเป็นมนุษย์เป็นต้นเกิดวัไปต้นงเป็นต้นทางจเกิดเป็นภูมโลกูปสทขั้นปิสร้างนี้เมือนทกัน แต่ว่าการสร้างพอังความเีเ น, นของพระพุทธเจ้าทํามต้องคามธรรของพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับไม่เหมือนศาสานาศาสนาดีเขามกบังคับในจีนไปได้พวกเราไม่มีการบังคับที่มไม่มมีการบังคับนี่และมันเกลเลยลนือยืนตัวทีเวลาลงไม่อมไม่ช่ไม่ทราบหรอเป่าช่วยาไ สันต์ไทยนักพิธานะพุทธไม่ใช่วาสนาพุทธโยมให้พุทธศาสนาดยเ่นนีไม่คิดสารปล่อยปากวาได้เะฉะนั้นพวกมหาวิทยาลัยตางๆนึกว่าควายใหญต่อให้คนเชต่อสอนอนแล้วจะนำด้วยจะิบัญญัตด้วยรักาสเาด้วยอยาได้ักศาสนา สังหาการเสียารเรื่องพวกปี่เน้ออายการปีเนื้อคือกินเนื้อเลยไม่เยังเสิบลการเสียสลรไม่มีกฎหมายเมื่อเสียสารให้ท่านปัจเจรท่านจงของภายนอกได้สลับไปสลัไปเมื่อวันมีพลังมาสื่อมันจะเสียสละภายในได้ถ้าอะไรเอของภายในเสียสารของภายในสื่อเลยเสียสารของภายในสื่อว่าไง ล่างายทุตัวเรามาีขี้ผ้าไม่มีสุดท้ายศรัทธได้ที่ศรัทได้เสียเสียรัาตอนไหนเสียศรัลธาตอนเวลาเอามาพักมามาภาวนามาปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนายึเดินจุ่ผมที่ท่างทํามยานพรงเดียี่เสียศรัทธาเสียกำลังให้ทานบูชา เาพูดเขอาพูดเขาทำาูตาาูรืเจ้าเอาล่างกายเนี่ยทูตาเสีสละเสียวะเวลามันจะตายจริงนี่ะเวลาเวทนานเกิดสิ่งมากๆต้งเสียสละอะไรยกใ้าเลยเนี่ยถ้าปยที่กินอะที่ได้รับคืออะไรสิก็คือข้องตคกไม่เกิดสิ่รับรองเมื่อจิตใจไม่ทานเหงยปัจจัยเข้าไปีะตัวทงมทเุก คนสนร่กาเนี่ยหเป็นทุกข์เลยหรือทิใจที่มาลุ่ลเมือว่าทานเงี้ทานทุกข์เข้าไปนะจิตใจอนยุนิ่งจิตจะเข้าไปอันตรงนี้แหละของการปฏิบัติขงารทามันก็ไม่มีอะไรอยู่งอยู่ในดวงจิตวใจ่าบุญก็ได้ว่ากรรมก็ได้ม่นม่มี่งเรียมีที่ถือที่ตรงนี้ นอก น, นั้นน right. mm ี่เขาหลอกเของลอของคอทั้งนั้นมันไม่ไม่ของจริงหรอกหอกลวงหรอกหอกลวงหลอ่ดีดีหอกแค่ดีรายหลอกดีใจหรอกแคเจ๊ใจหรอค่รักแค่จังหรอกแค่ปวดแค่เจบไม่สารภาพอย่างนลอกวมันไม่ใช่ของจริงของคองทังนั้นของจริงที่พบของจริงที่เหนี่เคที่ตัวนริุทัน ผมยิงคือรอดคือพรมนับทุกข์กกนั่นจิงบเข้าไปสงบใจได้ไหมสงบจักเหตุสงบจักเหตุสงบปกะจานทุกข์มันมันไม่มีอยู่ในดวงจิตดวงใจมันว่ามันเบ า, ม, เบามันสบายมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นถ้าใครปฏิบัติเข้าไปที่จุนี้ได้มันจะมีความเห็นว่าร่างกายหรือตับจิตใจ มมนจะแนกกันทางดีไม่มีใครบอกว่าจะตั้งรู้เอ็เสดง้ใครของเราถ้ารู้สัตจ์เย็อย่างนี้เนียมเต้มีละจิตใจจะเป็นพระพระอะไระโยคได้พระสดาบันแต่ไม่เส็จจะเรียนตัวนะคือจะรู้สัดเยนน่ลว่าร่างกากับจิตใจไม่ได้อันเดียวกันท่านั้นจารที่ไปจะจะจะรัาบัทให้มากจะเรียนใ้ิงให้จริงขึ้นไป จนหัวไปสูกขึ้นไปถึงขั้นพระอาคารมีคนว่าใกากับจิจเดืขาดต่อกันโดยเดืขดต่อกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้กายคือจายจิตคือจิ้ขันกับกันไม่เข้ากันเดกอเพาว่าลูกลูกก็คือลูกเวทนาเวทนาความคิดทวามคุกก็คือก็คือเวทนาไม่ใช่จิตใจ สัญญาความจำรู้จำได้มรู้หรือไม่ตั้งจิตใจตั้งใจเขาคูเของตะเขาคิดเขาเล่นจิตใจแิตใจรับกางโกหกใจหรือไม่จิตใจยินยันความรับทราบาหูจมูกมือกายใจไม่จิตใจซึ่งทั้งมีติวัขันขันก็คือขันไม่จิตไม่ได้ใช่ดูจิตดูใจขันจะไปว่าถูกไปว่าไม่ไปว่าโกงไปว่าดึงไ่ข้านอยมันเป็นภาระอันหนักขันภาระจังหวะภารามเรย์เป็นจักรงาขันั้งห้างลูกเวทนาสั้งยาตังขันยินยัน มันือพาะอันักนักยี่ตรงไมล่ะจิตใจน่ไปด้ไปสามไปยี่ปีสีมันจะเลยนะทุกทีรับหนักก่าตัวิตดตงใจเพราะคุกอไเพราะท่านม่ให้านไปบัพทิงจตจม่ขอนเดี๋ยว่กระชั่งฟงหวาไม่หลับพลห้านางทุกขันยกไปเลยมันขนโลกทำมาโลกก็คือ ร้างกายแล้วสุขใจเราเองสถ้าสิขใจ้ไหีร่างกายว่างตัว่ตรงไม่สัตว์เป็นบุคคลยีดใจเป็นโลกอยู่่า็โลกคือมนัษ์ท่องอยู่เป็นนิสมันไม่เป็นไม่หิวไม่กหายเพราะให้มาปฏิบัติมาทำสุขใจให้มันเต็มเมื่อมันเป็นแล้วเหมือกับนเต็นอ่านเต็มมเจเขาไปยมันจะไม่เข้าเพราะไม่ลมานอก เมื่อเต็มแล้วะอากเป็นอะไรสิจะอยากมีอะไรจะอยากไดอะไรจะยักเป็นอะไรขงนีที่อยูกับเื่อนกดวงใจของใครของเราอันไม่เต็มแล้วหายจากหิวแล้วหายจากองอยากแล้วที่ไม่จับไม่ตดเพราะอะไรเพราะมันหลุดจับลำจับรวยจักรวยจันำจับที่ขอถูกจริงที่ขึ้นไปหาอะไรจะไม่เถ้าไปหาข้างนอกถูก อันฟอแค่สิงสมันอยู่มันย้อนเ ข, ข, ข้ามาห า, า, า, า, าดูจิตใจย้อนหลอนเข้ามาไปยังเข้ามาหาดูาติหาดูจิตใจเนี่ยถ้าเข้ามารตรงนี้ล่ะ ม, ม, มัจะมักจะทานาาทาทตันมักจะทานถมักจะชมัจะจบตรงนี้อยู่ทีน่นี่ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดทีน่นี่มันดับทีนงงนท่นี่จบตรงนัง้นที่นี่นัะถ้าโถไปข้างนอกไม่มีทางไกลออกไปเรืเ่อย งานไปได้เลเหมือนกับมาทำไปิดารชิ้นละความวิทยาน่ะดูโกมันก็่ใช่เปรนในความรู้เป็นเนควารู้ที่กินอยู่รูปรรบๆวัตถุนี่ล่ะมันเอาลูปไปเรียนก็ได้ล่ะถ้าไม่รู้ตัวนี้มันไปจะเรียนความู้เอาลูปไปเรียนคำคำที่ว่าเรียนก็เรียนเรียนอกงน เลียงไปเลียงไปเลียงไปเลี้ยงไยาวไปยาวกลไปตกไปไจากความไปนะพรจะให้ย้อนลอนข้ามมนามหาวิญนรปฏบัติทจหหาจักกยาทังไต็รจปมอข้าองหนึ่งอยาไปดูถูกดูมนตัวเองนึ่งว่าเรานึ่งมัน้อยศานาน้อย ไม่เคยช้านักเราวมปฏิบัติมันอันี้มันที่ไม่โบกที่มามันไม่อยากให้พวกเราทำมันไม่มันกลัวจะขึ้นมันมันกลัวจะออกหนีจามันไปมันไม่ยอมให้ทำเวลาบางปฏิบัติก็จะอ่านนู่นอ่านี่นัดเมื่อยบ้านงดนอนห้องนอนแต่กลัวจโลกนั้นโลกนี้กลัวโลกกัวตายกลัวจะโลกนู้นน เรื่องโรคยงนโรกพวกไม่เกี่ยวกับกรรมไม่เกี่ยวกับกรรมกับสิ่งถ้าอยู่่เลยถ้ามันมีกรรมอะไรไม่โรกภปลกระเจิดก็จะไม่เกิดเหมนไม้ยันทับท้าภูรักถ้าไม่เคยเลยรักษาปฏิบัติมาถ้าสำงานเพราะคุณต่อที่ บ, กบาการสภ ทำมเกิดเมื่อพระพุทธเจ้าของพวกเราอายุท่านปสิียาไม่นสิไม่ทาไม่ได้กินไม่ได้ตัดโ้อภัยไข้เจ็บทุกอย่างไม่มีอานิยงขออนงอการรักาสิบัสิแล้วกออมวัวแล้วที่แ้าสามมื่อแล้วอายุท่านร6อยหปีไม่มี คเยียดเยูที่รักาคนที่ไม่รักษาโรคกระดูกสหลังกำ้านนะกายกรรมต้องเกิดทางกายวาทีกรรมต้องเกิดทางวาจาโนกรรมต้องเกิดทางจิตใจไมหกันเพรานั้นต้องใักษาเพาพระพุทธเจ้ารักษาเมื่อสามไม่อปกม่มีปัญหาเลยจะใช่ก็ใช่จะเข้าสู่พระวิญญาณไป พวกเราคมังกรนั and, and ่งหน้าจะใเปัติุ่งน้าเพื่อจะมันไม่ควรจทุกข์ควรจะทุกเกิดทุกข์เกิอพราะการนำพวกอาคมาชานี้ก็ออกมาบวช้อกมาปฏิบรมาแล้วารนี้อันนี้ถึงในพระวจีโมงเน่ยถึงถึงทำที่ไหนเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจาแห่พระพุทธเจ้ามโมอันก็ยี่ยมมาแล้วพระอันนามมันเป็ อ่าี่หนึ่าให้แค่มวนตกขน้อยอยงเดียวก็ามให้มีอวบทุกอย่างอัน้องหกอย่างอวบสางเยอสังกาที่เจ็ดอวบอ่กระจายอวบปาติดทุกกฎทุกศ์ทุกทุกทุกข้อทุกศิษฐ์ทั้งหมดปาจีปาจีโมปาจีปบัดโมกขัแปลว่าท้าถ้ามันถึงมัโเมบริบูที่เอาเมื่อ คุณมัแตงโหริอว่ามัดมัดินเวนะมั่ชิ้นเียวชิ้ตัวเียวนะชิ้นห้ากะีชิ้นตัวเรียวชแกีตัวเรียวช้นสกีิ้นตเดียวทิ้นสองอยยี่สิบเจ็ดก็มีชิ้ตัวเดียวที่นตัวเดียวจที่ไหนรวมกินชั่งใจหนึ่เนี่ยชเมื่อไปชิ้นที่ทํน้ไม่ต้องรักษาอะไรไม่ต้องมีคมลายแต่จิตเจรลญวดสบายปวาซ้ำทำขึ้มาทำด้วยตัวเสีหายทำไม่ลงทไม่ได้ ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าทฤษฎีวิทยาศาสตร์แล้วพวกเราสมัครในกานที่ห้ารักาลไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์รู้ได้เห็นได้เนระกาประยกแจกทำที่จะโผหน้าออกมาให้เราดูประยกแรกก็คือุกฮุพระพุทจ้ท่านกควรจะมารู้ควรรู้ให้วิทาศาต์ให้จริตามความริงของมันมันมีประมีตัวไหม หรือมันไม่สมีตัวมันจะมีตัวทต่หันไ่รู้ม no, um. hmm. ันไม่จะมีตัวท่หัาไ่รู้นั่นตรคิดพิจารณานี่หรืออีย่าีย่าปฏิบัติคม่วตายคงที่ว่าตายมันมีอะไรมาตายหมเงียบคุนพิจานณาดูความตายนี่ถ้ามันไม่กลัวนะกลัวหนาไม่กวอไกัวดิเอร์มันไม่ได้ตายดิสเซอร์ไม่ได้ตายร่างกายเขาแตกตั้งหานําไมไม่เปองแตกร่างกายก็เพราะไม่มีอายุ งานจริงมากแต่ว่าทีแล้วก็ีก็แจกยืดหรือยังไม่ถึงมันก็แจกตายแน่านเป็นเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันแปลเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับามบ้านเกี่ยวกับของนไม่เที่ยงทีมันไม่เที่ยงมันแปลนปเปลี่ยนแปลงบอกก็ได้ใตดินบอกก็ให้เดไม่ได้บอกไมให้เไม่ได้บอกไมให้เกดไม่ดับไมทำไม่ได้มันไม่อยู่ใต้ระับบังคับของใคร ร่างกายแปรปรวนมีกาท่ามนเอาก็ราะฉะนั้นจักรมันจะให้มาประบัิให้รูปมันมันแปรรวนจะใก้รูมันรอแปรควนอาการที่แะครวนไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งแตรโถ้าสิ่งแต่โลกหลงไปยึดก็แรแปรปรนไปเรื่อไปเมื่อเวลาร่างกายไม่เป็นไรที่จะทำใหวยพอาการเป็นโลกที่จะทำเป็นโลกช่วย ทำไแล้วจะมีหพว่ามันม่มันไม่็นัของนมันกาเป็นอย่างนึ่มันก็ดินนนนไปดิ้นามัไไปวกันเพราะฉะนั้อะมันไม่เ่มันแตวเปล่นแปลงคำพูดคูดที่ราคิว่าทิ้งนั้นมันไม่เที่ยงทิ้งนั้นมันเป็นทุกข์ทิ้งนั้นมันเป็นทุกข์ทิ้งนั้นมันไม่ใช่ตนบัดกรรมาสรุปแลทุกจริงไม่มีอะไรมีแตุ่ทุนดำไมไม่เขไปทำไมไม่ออก สิ่เดียก็ไม่ให้ออกสิ่งเดียก็ตักดกันเพราะฉะนั้นการปะฏิบัติความความผต้องให้ทํำโตขึ้นมาให้มากๆ ท, ทํำกุศลนั่งให้มนานา น, านทําเกิดขึ้นเดนให้มานานให้ทําเกิดขึ้นยืนให้มนานานให้ทำเกิดขึ้นทําคืออะไรทากับกุศลดูพระเหตุทุ ก, ทกถ้าไม่เห็นทุก มัน ก, ก่จะเห็นสุขเมืกก่อเห็นสุขมัน ก, ก็จะ เ, เห็นตนนะเห็นไหมลนะ่ะวิ่งอยู่ที่นี่จะส่งไปข้างนอกออถ้าส่งไปนอกหาอะไรก็ไม่เจอนะของดีอย่อยู่ที่นี่ของแข็องโล่งไม่ไดูดี ใ, ใจของแขของโงนะทให้มากจะเรออยยิ่งทาที่ว่ามากให้มีตสติรละจต่อเือนั้ น, นเรไ่องไรแต่เลนะ ทุกการปฏิบัติน้อมจิตน้ำใจเข้ามาหาดูจิตน้ำใจทุกคนนั่นกำหนดนี่กำหนดเดินให้มันให้มันอยู่ในภายในร่างกายนี่ครับกำหนนี่ครไปทุกชาติกำหนดดูทำเห็นเห็นอะไรไหว่าร่างกายทุกคนยังจิจงุร่างกายนีตังึงเห็นอะไรเ็นหัวใจ อาอาวียวชนที delayed delayed ่ท่านั่งนั่งกาอันนี้ถ้าเห็นได้ีที่จ้าอันที่พุทเจมได้วอืมันพอไเห็นอาวววนน่มันก็จะเบาิมันก็จะเบาใจก็จะเย็นิก็จะเย็นถ้ามันเ็นอันนี้มันไม่เห็นไม่มันบงต้องดูนอาุ่งรูไม่เห็น ถ้าเห็นใจก็จะเหตุผลแต่พวกก็คิดนไม่ดีด้วยกันนีเวลาปฏิัติจะมีกลัวตาย่ัวอรจะไม่ตายไม่ได้ไมด้เราอาคิดเสียอะไรจะเาอะไรมาแขกจะเอาอไบอมันมีอายแล้วไม่ต้องทไม่กลัวที่เธอที่ที่กัวแ่มกันตายกัน ถ้าจะมาตายถ้าจะมาไม่ตายต้องก้าหาญไม่ว่าทำทำให้ยิงให้ดังทำให้สุดพุดธให้ถึงด้านหน้าจะทำให้ก้อนฟูร่วงรวจะทำให้เสียนตันทำให้สุดพุดให้ถึง